ถ้าพูดเรื่องภาวนาจริงจังเนะี่คนที่มาเรียนที่นี่จะภาวนาได้จริงจังกว่าที่อื่นลองไปก็ที่ศาลาลุงชินที่บ้านจิตสบายอะแต่ว่าคนทั่วๆไปนะที่หลวงพ่อไปเจอออกไปต่างจังหวัดหรือเวทเทศที่อื่นที่เขาฟังซีดีมาแล้วหรือเคยอ่านหนังสือมาแล้วเนขะาภาวนาได้ก็เยอะนะ ความลึกซึ้งอาจจะยังไม่ลึกซึ้งมากแต่ถ้าภาวนาเอาตัวรอดนั้นเอาตัวรอดได้คนภาวนาดีๆมีและธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรลึกซึ้งละเอียดประณีตเราเรียนด้วยใจที่สงบพอสมควรถ้าใจฟุ้งซ่านนะเรียนไม่ได้เวลาไปเทศก็บอก ว่าอย่าเพิ่งถ่ายรูปถ่ายรูปเดินไปเดินมาคนฟังก็วอกแวกวอกแวกเสียสมาธิจิตใจไม่มีสมาธิพอฟังธรรมะไม่ได้ได้ก็ฟังไม่รู้เรื่องฟังไปอย่างนั้นเองไปบางที่เขาก็ารู้ว่าไม่ให้ถ่ายรูปไม่ปิดมือถืออะไรเงี้ยแล้วทำภาวนาะเทศไปก็ เขาก็พอนาตามไปแล้วเข้าใจขึ้นมาเนื้อบางที่ไม่เข้าใจคุยกันจ๊กแกจ๊กแจ๊กแจ๊กนะั้นเดินไปเดินมาถ่ายรูปโทรศัพทนะ์บรรยากาศไม่ดีเลยคนจะตั้งใจฟังธรรมะฟังไม่ไหวใจกระสับกระสายแ่งไปแ่งมาไอคนโบราณเขาก็มีอุบาย ก่อนจะฟังเทศเขาให้รับศีลก่อนจะได้ไม่พูดมากรับศีลเสร็จแล้วก็คุยกันนะศีลดังพลอยแนละ้วพูดแข่งกับพระพูดเพอเจอสวดอะไรต่ออะไรไปสักพักหนึ่งก็คือการทําสมาธิขึ้นมานั่นเองพอใจมีสมาธิดีแล้วก็พระก็ค่อยเทศแต่พระแตก่ก่อนท่านเทศคนฟังก็ส่นมากอายุเยอะๆ พระพระท่านเทศสงบมิเวศสบายก็เลยงีบไปหมดเลยพระท่านก็หลับตาท่านลืมตาไม่ได้ท่านต้องหลับตาเทศไปไม่ก็อ่านหนังสือนะอ่านคำพีไม่อยากศบตายยมคือหลวงพ่อไม่ให<ม>้นั่งหลับหรอกนั่งหลับพื่ไปหาที่นอนเอาเสียเวลา ธรรมะนั่นเป็นของสูงเป็นของที่ออกมาจากพระไทยอันบริสุทธิ์หมดจดของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของธรรมดาใจที่อ่อนโยนอ่อนน้อมใจที่เปิดกว้างสะอาดหมดจดพอสมควรถึงจะรองรับธรรมะซึ่งออกมาจากพระไทยอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าได้ ใจเราโสกปรกมอมแมมไม่มีศีลไม่มีทาอะไรเหลืออยู่เลยรองรับธรรมะที่ประณีตยอย่างนั้นไม่ได้ของท่านไม่ใช่ยากนะธรรมะของท่านไม่ใช่ยากสมัยพุทธกาลชาวบ้านฟังธรรมะคนธรรมดาเนี่ยบางทีเป็นขอทานเป็นอะไรฟังเป็นพระโสดาเป็นอะไรไม่ใช่ว่าต้องเก่งๆทุกคนหรอก ไม่ใช่ทุกคนเก่งเหมือนพระโมคคาลาพ า, าริบุตรพระอานนะท์คนส่วนหนึ่งก็คนธรรมดานี่แหละแต่เขาก็สัมผัสธรรมะได้ถ้าใจเราสงบใจเราประณีตพอเนี่ยธรรมะจะเข้าสู่ใจเราอย่างง่ายๆเลยไม่ยากเลยเลยถ้าพวกเราสังเกตให้ดีอย่างเวลาฟังหลวงพ่อเทศนะถ้าพวกเราสำรวมนิดหน่อย เรารู้สึกไม่ว่าใจเราสงบมากขึ้นรู้สึกไห้ใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความสุขในขณะที่ฟังธรรมด้วยมีความสงบในขณะที่ฟังธรรมด้วย ใ, ใจที่พอดีพอดีนะกระแสะธรรมะพลังไหลเข้ามาสู่ใจเราใจเราเข้าถึงความสุขความสงบด้วยธรรมะแล้วก็ค่อยเอาไปปฏิบัตินะ บางคนถ้าบุญบา ร, รมีพอในขณะที่ฟังเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกได้สมาทิฏฐิขึ้นมาเวลาที่หลวงพ่อเทศมีคนที่เข้าใจขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่สองคนมีเยอะเลยงั้นอยู่ที่ใจเรานะวางให้พอดีไม่ให้ตึงไปไม่ให้หย่อนไปตึงไปก็คือนั่งเพ่งเอาบังคับเอา เป็นเครียดเป็นแข็งหย่อนไปก็ฟุ้งซ่านไปไหลไปโน้นไหลไปนี้เรื่อยๆ ใ, ใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกตัวตั้งมั่นฟังทําไปอย่างสบายๆฟังแล้วไม่ต้องคิดมากหรอกธรรมะวิธีฟังธรรมะที่ดีนะไม่ใช่ฟังไปคิดไปแต่ฟังไปแล้วรู้สึกตัวไป มีความรู้สึกตัวนะฟังทำไปสบายอย่าห่วงว่าจะฟังไม่รู้เรื่องสมองของเรากับจิตนะันโคดละอันกันเราจะไม่ได้ฟังทำด้วยสมองลต่อไปนี้เราจะฟังทำด้วยจิตเคยได้ยินไหมว่าจากจิตสู่จิตถ้าจิตของเราประนีตพอนะธรรมะมันจะปรากฏขึ้นแก่จิตของเราเองหลวงู่ ด, ดูลเคยสอนบอกว่า ธรรมะแปดหมสี่พันพระธรรมขันธนะ์ออกมาจากจิตดวงเดียวนั่นเองแต่เป็นจิตพระพุทธเจ้ามีธรรมะเยอะจิตพวกเราก็มีธรรมะได้จิตของเราเองก็เป็นพุทธเป็นาธาตรู้อยู่แล้วจิตของเราเป็นาธาตรู้อยู่แล้วนะแต่เราถูกนิวรณ์ถูกกิเลสอนะไรนี่มาห่อหุ้มไว้จนมันฟุ้งซ่านมันไม่สามารถแสดงคุณสมบัติคือความเป็นตัวรู้ของมันออกมาได้จริง นั่นถ้าจิตของเราสงบจิตของเราประนีตจิตของเราอ่อนน้อมต่อพระธรรมจริตของเราเคารพลักต่อพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยเราฟังธรรมด้วยความเคารพนะฟังธรรมไปด้วยใจที่สงบใจที่สบายใจที่มีความสุขไม่ต้องกลัวไม่รู้พอเราฟังธรรมด้วยใจที่ที่ดีพอเนี่ยความรู้ความเข้าใจมันจะเกิดขึ้นในตัวเราเองในใจเราเอง อันนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์มากนะเป็นเรื่องแปลกไม่เหมือนการเรียนวิชาทางโลกวิชาทางโลกอาจารย์สอนอะไรต้องตั้งใจฟังตั้งใจเรียนจดเอาไว้คิดเอาไว้เป็นการฟังทำภาพปฏิบัติจาครูบาอาจารย์ท่านไม่ให้จดด้วยซ้าไปสมัยก่อนหนักกว่านั้นอีกนะอัศเทพยังไม่ได้เลยท่านถือว่าย่อหย่อนท่านให้ภาวนาไป ไม่ใช่ตั้งใจฟังท่านทุกคำพูดเรามาฝึกใจให้ตั้งมั่นให้รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไม่ต้องกลัวไม่รู้เมื่อไรเรื่องราวธรรมะที่ท่านเทศมันพอเหมาะพอดีกับใจของเราใจของเราสัวใจเราภาวนามาได้ระดับนี้ถ้าธรรมะของท่านเทศอยู่ระดับนี้ใจเราจะไม่เอาจะไม่รับ เราก็จะรู้สึกตัวของเราพอนัของขเราไปเรื่อยหรือธรรมะของท่านเทศตรงนี้ใจเราอยู่แค่นี้ใจเรายัางรับไม่ได้ก็นะฟังไม่อย่างนั้นเองนะแต่ถ้าเมื่อไรกระแสธ ร, รรมะของท่านธรรมะของท่านมันตรงพอดีกับจุดที่เราติดขัดอยู่นะเราจะเกิดปิ๊งขึ้นมาในใจมันจะเข้าใจขึ้นในพริบตาเดียวท่านเองเกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกขึ้นมา การฟังธรรมะไม่เหมือนฟังเลคเชอร์ไม่ใช่ฟังไปคิดไปเราฟังไปแล้วเราค่อยรู้ทันจิตใจของเราไปเรื่อยๆฟังไปแล้วจิตใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขฟังแล้วจิตใจสงบรู้ว่าจิตใจสงบฟังแล้วฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านฟังแล้วสงสัยรู้ว่าสงสัยตรงที่ฟังแล้วสงสัยเนี่ยคือฟังไปคิดไป ถ้าไม่ฟังไปคิดไปไม่สงสัยความสงสัยเกิดจากความคิดทั้งหมดไปงั้นเราฟังไปด้วยความรู้สึกตัวนะรู้สึกกายรู้สึกใจไปเห็นร่างกายนั่งใจเป็นคนดูนี่นั่งภาวนาของเราอย่างนี้แหละแต่เมื่อไรกระแสะธรรมะมันตรงกับใจของเราใจเราจะตื่นตัวขึ้นมาฟังธรรมะเองจะขึ้นมาได้เองนะฟังเอง ตรงที่ใจเราสงบอยู่แล้วมันตื่นตัวขึ้นมาฟังธรรมะเนี่ยความเข้าใจอันลึกซึ้งนั้นจะเกิดขึ้นลำพังพวกเราฟังในขณะที่ใจฟุ้งซ่านเนี่ยความเข้าใจธรรมะอย่างลึกซึ้งจะไม่มีแต่ถ้าใจเราสงบใจเราตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่มีสมาธิรองรับอยู่เวลาเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะมจะประณีตลึกซึ้งมากเลย เว ล, ลาเราถอยจิตออกมาสู่โลกภายนอกเนี่ยแล้วเรากลับไปทบทวนธรรมะที่เราเข้าใจในขณะที่เรานั่งสงบอยู่แล้วฟังธรรมะอยู่พอเราทบทวนเข้าไปนะภาษาที่มันเกิดขึ้นจะตื้นมากเลยถทยคําที่สมมุริบรรยัติเรื่องราวธรรมะทั้งหลายที่เราสัมผัสในขณะที่เราทาสมาธิอยู่แล้วฟังธรรมะไปเรื่อยมันโคแลชันกัน ออกมาเราจะตื้นมากเลยมันคล้ายๆธรรมะภาคปริยัติกับธรรมะภาคปฏิบัติธรรมะภาคปริยัติใครๆก็อ่านได้เอาไปจําไปสอบได้แต่มันล้างกิเลสไม่ไหวธรรมะภาคปฏิบัติเนี่ยมีจิตซึ่งตั้งมั่นมีจิตซึ่งมีสมาธิรองรับอยู่ความรู้ความเข้าใจนี่นะจะคมมากเลยจะคมมากจะชัดมากเลย การรับรู้ต่างๆนะจะชัดกว่าปกติและมันจะทราบซึ้งถึงอกถึงใจได้ง่ายใครเคยเป็นอย่างที่หลวงพ่อพูดนี้บ้างไหมยกมือซิมีบ้างไหมเวลาเรามีใจเราสงบใจเราตั้งมั่นอยู่นะเราพาวนาไปนะเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมานโอ้มันลึกซึ้งมากเลยลพอเราออกมาจากสมาธินี่กลับมาอยู่กับธรรมดาเนี่ย เรานึกทบทวนดูว่าเมื่อกี้ธรรมะอ่านประนีตลึกซึ้งนั้นนะถ้าจะแปลออกมาเป็นภาษาคนอ่ะจะแปลว่าอะไรมันจะแปลออกมาตื้นๆเช่นบอกว่าทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละอะไรเงี้ยเนคเราก็ได้ยินจนฉินนะทุกข์คือขันห้าอะไรเงี้ยสมุทัยคือตัวตัณหานิโรธคือพระนิพพานได้ฟังเราจะตื้นๆ อนนี้จังทุกขังอนัตตาฟังแล้วตื้นตื้ น, ตนแต่ถ้าเมื่อไรจิตเรามีสมาธิพอนะมันจะลึกกว่ากันเยอะเลยมันจะเป็นธรรมะที่ขุดรากถอนโคนกิเลสได้เพราะในเวลาที่จะเกิดอริยมรรคเข้าไปขุดรากถอนโคนกิเลสนั้นจิตจะต้องเข้าสมาธิจิตจะไม่อยู่ในโลกธรรมดาอย่างที่พวกเราอยู่นี้จิตจะเข้าฌานโดยอัตโนมัติ เป็นฌานชนิดที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานคือเป็นฌานที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตฌานหรือสมาธินั้นมีสองแบบอันหนึ่งเรื่องอารามณูปนิชฌานจิตไปตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์เช่นจิตตั้งมั่นอยู่กับพุทโธจิตตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจจิตตั้งมั่นอยู่ที่ท้องผ่องยุบจิตตั้งมั่นอยู่ที่มือจิตตั้งมั่นอยู่ที่เท้าไม่หนีไปที่อื่นอยู่ที่มือก็ที่มืออันเดียวที่ท้องก็ท้องอันเดียวไม่หนีไปที่อื่น อย่างนี้เรียกว่าจิตตั้งมั่นอยู่ที่ตัวอารมณ์นะอันนี้ทำได้แค่สมถกรรมฐานฌานหรือสมาธิชนิดหนึ่งเรียกลักขณูป น, นิฌานจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตจิตรู้เนื้อรู้ตัวอยูนะ่เป็นตัวของตัวเองรู้เนื้อรู้ตัวสงบตั้งมั่นนะร่าเริงเบิกบานนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อนะนะจิตที่ทรงฌานชนิดนี้นะ เวลาที่เกิดอริยมรรคก็จะใช้ฌานที่เรียกว่าลัคนูพนิชฌานตอนที่เกิดอริยผลก็เป็นลักคนูพนิชฌานเหมือนกันถึงจะเข้าฌาน1 2 3 4 5 6 7 8แต่ก็ตั้งมั่นอยู่ที่จิตไม่ได้ไปตั้งมั่นอยู่ที่ตัวอารมณ์งั้นเรื่องของจิตใจที่มีความพร้อมนะสำหรับการศึกษาธรรมะการฝังธรรมหรือการปฏิบัติธนะรรมก็เป็นเรื่องสาคัญ เราต้องให้มีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าให้จิตใจล่องลอยไปอย่าให้สุดตรงไปสองข้างนะสุดตรงข้างแรกตามกิเลสไปฟุ้งซ่านไปสุดตรงข้างที่สองบังคับตัวเองมากไปบังคับจิตให้นิ่งบังคับจิตให้สงบจิตจะเครียดเครียดอย่าพวกเราขนาดนี้ดูตัวเองออกไหมมันตึงไปหรือมันหย่อนไปดูออกไหม ส่วนใหญ่หย่อนไปฟุ้งซ่านส่วนว่าฟุ้งซ่านนะ ท, ท, ทั้งที่นั่งทําเป็นสงบนี่นะใจวกแนวักไปเลยใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวหายใจแรงๆสักทีสิหายใจแล้วก็รู้สึกตัวแลนะหายใจนะจนะนนะรู้สึกไหมมันโล่งขึ้นมันโปร่งขึ้นมันรู้สึกตัวได้ดีขึ้นนะทําครั้งเดียวนะ อย่างนี้ตลอดไม่ได้นะสติแตกเลยนะงั้นเวลาฟังธรรมะนะให้ใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวเวลาปฏิบัติธรรมก็ให้ใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วตอนบรรลุธรรมนะใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าจิตใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจมันออกนอกใจมันไปอยู่ที่อารมณ์ต่างๆโอกาสที่จะเริญมิปัสสนาไม่มี พรวิ ป, ปัสสนากรรมฐานเนี่ยจะใช้สมาธิที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตในขณะที่เกิดอริยมรรคเกิดอริยผลจิตก็ใช้ลักขณูปนิชฌานคือจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตนั้นการมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากสําคัญกว่าเรื่องการฝึกจิตให้สงบซะอีกลําพังการฝึกจิตให้สงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวมีมาก่อนพระพุทธเจ้า เจ้าชายสิทธัตถะออกจากวังท่านก็เหมือนอย่างเรานั่นแหละพวกเราเวลาคิดถึงการปฏิบัติธรรมนะสิ่งแรกที่พวกเราคิดคือนั่งสมาธิรู้สึกไหมถ้าปฏิบัติธรรมต้องนั่งสมาธิเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันพอ mm hmm. ออกจากวังแล้วงานแรกที่ทานะทาอะไรงานแรก mm hmm. <laughs> ไปหาลืนสะ ไปหัดนั่งสมาธิไหมเหมือนที่พวกเราคิดอ่ะจะปฏิบัติธรรมต้องไปนั่งสมาธิกันนี่ฤาษีก็สอนสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์ันเดียวให้ท่านท่านฝึกอยู่ไม่กี่วันนะท่านก็ฝึกจบหลักสูตรบารมีท่านมากท่านทําสมาธิได้ทุกๆรูปแบบพอท่านไปฝึกเป็นแบบฤาษีสมาธิที่จิตเป็นนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวในความว่างความไม่มีอะไรเลย ท่านก็พบว่าไม่ใช่ทางใช้ไม่ได้จิตไปอยู่กับความไม่มีอะไรเลยแล้วก็น้อมไปจนแทบจะหมดความรู้สึกตัวอย่างพวกเรายุคนี้ก็มีจำนวนมากเลยคิดว่าเราจะฝึกจิตให้อยู่กับความไม่มีอะไรเลยไม่ยึดถืออะไรสักอย่างแล้วว่างๆอยูนน่นั่นแหละคือสิ่งที่เจ้าชายสิทธัตถะพบว่าไม่ใช่ทางแหละท่านทำตัวอย่างให้เราเห็นมาทุกสิ่งทุกอย่าง อย่างการอยู่กับโลกท่านอยู่แบบเจ้าชายมีความสุขในทางโลกอย่างเต็มที่แล้วท่านก็พบว่ามันไม่พ้นทุกพอคิดเรื่องปฏิบัติธรรมนะท่านก็ทําตัวอย่างให้เราดูอีกพวกเราก็จะทําแบบเดียวกันคือไปนั่งสมาธิให้จิตนิ่งๆิ่งว่างๆน้อมจิตให้นิ่งน้อมจิตให้ว่างนะทุกวันนี้ยังสอนกันอยู่เลยให้ทําแบบนั้นคิดว่าการปฏิบัติธรรมคือการน้อมจิตให้นิ่งให้ว่าง ไม่มีอะไรนะอยู่นิ่งๆไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนั่นแหละคือสิ่งที่เจ้าชายสิทธัตถะพบว่าไม่ใช่ถังเสร็จแล้วท่านก็สุดโต่งไปอีกข้างหนึ่งฝึกจิตใจแล้วมันก็ไม่พ้นกิเลสมาฝึกร่างกายอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนอยากสุกอยากสบายทรมานมันทำอยู่หลายปีนะแล้วท่านก็พบว่ามันไม่ใช่ทาง สุดท้ายท่านก็นึกถึงตอนท่านเด็กๆได้ตอนท่านเด็กๆสามขวบนี่ท่านเคยนั่งสมาธิตามธรรมชาตินั่งสมาธิตามความเคยชินเดิมของท่านเป็นสมาธิที่ยังไม่เคยไปเรียนจากใครเลยแต่ท่านสะสมอบรมมาสมาธิชนิดนั่นแหละคือสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นตอนท่านเด็กๆ พี่เลี้ยงอุมท่านไปไว้ใต้ต้นว่าต้นไม้ต้นว่าแล้วพี่เลี้ยงก็ไปดูพระเจ้าสุดโทตนะแรกหนักหวันปล่อยท่านอยู่ใต้ต้นไม้คนเดียวท่านไม่รู้จะทำไรนะท่านก็ลุกขึ้นนั่งสมาธิรู้มีสติรู้ลมหายใจคูบันลังตั้งกายตรงดมลงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาว หายใจออกสั้นรู้หายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นรู้หายใจเข้าสั้นที่แรกลมหายใจที่เป็นธรรมชาติมันจะยาวนะพอจิตเริ่มสงบเนี่ยลมจะตื่นขึ้นตื่นขึ้นเพราะว่าการใช้ออกซิเจนจะน้อยลงการเผาผลาญในร่างกายจะลดลงลมก็จะ ป, ประณีตประณีตขึ้นเมื่อตอนเด็กๆท่านทําสมาธิแบบเนี้แล้วใจของท่านรู้สึกตัวหายใจด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่หายใจแล้วน้อมจิตไปอยู่กับลมหายใจไปอยู่กับแสงสว่าง แล้วก็เพลิดเพลินมีความสุขอยู่กับแสงสว่างท่านเคยทำสมาธิชนิดลักขณูปนิชฌานนะตอนเด็กๆแล้วท่านก็ลืมอันนี้ก็เป็นภาวะปกติอีกหลายคนนะนี่ในชาตินี้ตอนเด็กๆ เ, เนี่ยภาวะแห่งความตื่นเนี่ยเคยเกิดขึ้นมานะมีพระองค์หนึ่งมาเล่าให้หลวงพ่อฟังตอนวัยรุ่นท่านไปเที่ยวลอยกระทงกำลังเปลอๆ อ, อยู่เข้าจุดพลุก ใ, ใกล้ๆตัว ไม่ทันดูว่าไปยืนอยู่ใกล้ที่จุดพลุพอเอาระเบิดเปรี้ยงขึ้นมาท่านตกใจตกใจเนี่ยสติระลึกรู้จิตที่ตกใจนะจิตตื่นขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาเลยรู้ตัวขึ้นมานี่พอท่านมาเรียนกับหลวงพ่อนะท่านได้จิตที่รู้ตัวขึ้นมาท่านบอกอันนี้ของเดิมเป็นของที่เคยมีมาแล้วแต่ลืมไปเา ช, ชายสุทธิธรรท่านก็เคยมีมาแล้วแต่ท่านลืมไปพอโตขึ้นเนี่ยการพาวนาของท่านนะ ก็เริ่มไปติดในคำสอนของคนอื่นหรือสีชีพไพรก็สอนอะไรท่านก็ไปฟังฟังแล้วก็ไปเรียนแบบก็ฝังใจว่าถ้าออกบวชถ้าภาวนางานแรกที่ทำต้องนั่งสมาธิไปนั่งฝึกจิตไปเรื่อยแล้ ว, ลวพบว่าไม่ได้ผลอะไรสงบอย่างเดียวแต่ไม่ล้างกิเลสไม่พ้นทุกข์ก็ไปทรมานร่างกายฝึกฝึกจิตแล้วไม่พ้นทุกข์มาฝึกกายบ้างก็ไม่พ้นทุกข์อีก สุดท้ายท่านก็นึกถึงสมาธิเดิมได้สมาธิของเก่าที่เคยสร้างสมบรมีมาสมาธิอย่างนั้นรู้สึกตัวสมาธิที่มีสติตลอดสายของการปฏิบัติอย่างคําว่าอาณาปณะสติมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหายใจออกด้วยความมีสติหายใจเข้าด้วยความมีสติไม่ได้มีความขาดสติตรงไหนเลยนะท่านก็กลับมาหายใจจิตของท่านตั้งมั่นมีสติอยู่นะ ในสุดลมหายใจระงับไปหยุดหายใจที่หยุดหายใจเพราะว่าร่างกายจิตใจของท่านไม่ฟุง้งซ่านไม่ได้ใช้พลังงานมากหายใจนิดนิดไม่หายใจมากเหมือนกับไม่หายใจพาจิตท่านสงบพอสมควรแล้วนะท่านโน้มน้อมจิตไปเพื่อหยานทัศนะคือใจพอตั้งมั่นแล้วเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาเพรานถ้าทาใจให้สงบ นะแล้วก็ตั้งมั่นยังไม่เกิดปัญญานะใจสงบอันนี้เป็นแค่สมถะใจตั้งมั่นอันนี้เป็นใจที่พร้อมที่จะเจริญวิปัสสนาแต่ถ้ามีแต่ใจที่ตั้งมั่นรู้ตัวอยู่เฉยแต่ไม่ยอมดูกายดูใจทำงานไม่เห็นไตรลักษณ์ของกายของใจเรียกว่ายังไม่ได้เจริญปัญญาพระพุทธเจ้าท่านก็เจริญปัญญา เวลาที่จิตของท่านตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตของท่านเบาจิตของท่านนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่สืมไม่ทื่อไม่มีนิวรน์ไม่มีราคะโทสะโมหะจิตที่รู้จิตที่ตื่นจิตที่เบิกบานท่านก็ไม่ได้อยู่กับจิตชนิดนี้ตลอดไปพวกเราบางคนพอรู้สึกตัวแล้วก็จะรักษาความรู้สึกตัวอยู่เฉยๆันนั้นยังไม่เดินปัญญา ก็ต้องมาเดินปัญญาการเดินปัญญาหรือการทำมิปัสนากรรมฐานเนี่ยก็คือการที่เอาจิตซึ่งตั้งมั่นแล้วเนี่ยเมารู้ความเปลี่ยนแปลงของกายรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจแต่รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นสติระลึกรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายเช่นร่างกายหายใจออกสติรู้ทันจิตตั้งมั่นเป็นคนดู ร่างกายหายใจเข้าสติรู้ทันจิตตั้งมั่นเป็นคนดูจิตเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันนะจะต้องแยกตัอนี้ให้ออกหรือเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายจิตตั้งมั่นเป็นคนดูนะสติระลึกรู้ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายจิตตั้งมั่นเป็นคนดู ก็จะเห็นว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์เป็นอีกสิ่งหนึ่งไม่ใช่ร่างกายนะมันเป็นของที่แปลกปลอมเข้ามาในร่างกายแล้วมันก็ไม่ใช่จิตด้วยจิตเป็นแค่คนดูมันก็จะเห็นความจริงว่าร่างกายก็ไม่ใช่เราความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่เราจิตเองที่เป็นคนดูก็ไม่ใช่เราความเป็นเรามันจะเกิดจากขันหมันมารวมตัวกันนะแล้วสัญญาเข้าไปหมายผิดๆว่าเป็นตัวเรา แต่ถ <Es> <an> e ้าใจเราตั้งมั่นเป็นคนดูไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งรู้ทุกอย่างอย่างที่เขาเป็นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นแหละมันไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอยู่แล้วมันเป็นคนมันเป็นสัตว์มันเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาเพราะว่าจิตของเราไม่มีคุณภาพไปหมายรู้ผิดผิดไปหมายรู้อย่างผิดผิดก็เกิดเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาขึ้นมา ถ้าจิตไม่ไหมายรู้ผิดผิดจิตตั้งมั่นเป็นแค่คนดูทุกสิ่งตามที่มันเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นไตรลักษณ์อยู่แล้วเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วนะเพียงแต่จิตไม่เคยมีคุณภาพก็ไม่เห็นนี่ถ้าจิตของเรามีคุณภาพจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นผู้รู้ ผ, ผ, รผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูสติระลึกรู้เห็นร่างกายเคลื่อนไหวนะปัญญาก็จะเกิดปัญญาคือตัวความเข้าใจ สติเป็นตัวรู้ทันปัญญาเป็นตัวเข้าใจเพราะสติมันเห็นร่างกายเคลื่อนไหวแต่ต้องเห็นด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่ก็จะเกิดความเข้าใจความเป็นจริงคือเกิดปัญญาเห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเราหรอกเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่แล้วสติระลึกรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกาย หรือความสุขความทุกข์ความเฉยๆที่เกิดขึ้นในจิตใจก็จะเกิดปัญญาคือเห็นความจริงนะว่าเวทนาความสุขความทุกข์ในกายนะั้นไม่ใช่ตัวเราหรอกแล้วก็เห็นร่างกายก็ไม่ใช่เราด้วยแล้วก็ไม่ใช่เวทนาด้วยแล้วจิตที่เป็นคนดูก็ไม่ใช่เราด้วยนะถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่สติระลึกรู้ความสุขความทุกข์ความเฉยๆที่เกิดขึ้นในจิตเรื่องเวทนาทางใจ ก็จะเห็นเองว่าเวทนาทางใจคือความสุขความท ac ุกข์ทางใจทั้งหลายความเฉยๆทางใจทั้งหลายนะไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ร่างกายนะไม่ใช่จิตด้วยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเป็นสิ่งที่แปลกปลอมขึ้นมาชั่วครั้งชั่วคราวมีแล้วก็หายไปตรงที่เห็นว่ามีแล้วหายไปเรียกเห็นว่าเห็นอนิจจังตรงที่เห็นว่าความสุขมันก็ถูกบีบคั้นทนอยู่ไม่ได้จะค่อยๆสลายไป เรียกว่าเห็นทุกขังอย่างเวลาที่พวกเรามีความสุขถ้าเรามีสติรู้ทันลงไปนะใจเราเป็นแค่คนดูเราจะเห็นว่าความสุขทนอยู่ไม่ได้ค่อยๆสลายตัวไปเนะนี่ยมันมันถูกบีบคั้นมันทนอยู่ไม่ได้นี่เรียกว่าเห็นทุกขังถ้าจนกระทั่งมันเกิดอยู่แล้วมันดับไปเรียเห็นอนิจจังของมีแล้วไม่มีเป็นอนิจจังตรงที่เห็นอนาัตตานะี่คือเห็นว่ามันเป็นของมันเองเราไม่ได้สัง่ง อย่างจิตจะสุขจิตจะทุกขจิตจะดีจิตจะชั่วเราไม่ได้สั่งมันเป็นของมันเองมีความสุขเราสั่งให้สุขก็ไม่ได้มีความสุขแล้วสั่งให้ความสุขอยู่นานๆก็สั่งไม่ได้มีความทุกข์สั่งให้ความทุกข์หายไปก็ไม่ได้ความทุกข์ยังไม่มาสั่งว่าอย่าให้มีความทุกข์เกิดขึ้นก็สั่งไม่ได้สั่งไม่ได้ควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจปรารถนานี่เรียกว่าอนัตตา เนี่ยเราเรียกว่าการเจริญวิปัสสน า, าะนะคือมาเห็นความจริงของร่างกายมาเห็นความจริงของจิตใจไปเรื่อยความจริงของร่างกายเนี่ยเราเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกอยู่สติเป็นตัวรู้ทันว่าหายใจเข้ารู้ทันว่าหายใจออกจิตตั้งมั่นเป็นคนดูก็จะเกิดปัญญาก็เห็นว่าร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราสติระลึกรู้ความสุขความทุกข์ในใกายในใจจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ก็จะเกิดปัญญาเห็นว่า สุขทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่สติระลึกรู้เห็นราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นในจิตหรือเห็นคุณงามความดีเกิดขึ้นในจิตถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ก็จะเกิดปัญญาเห็นราคะโทสะโมหะหรือเห็นคุณงามความดีทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่แปลกป้อมเข้ามาสู่จิตเป็นคราวๆแล้วก็หายไปไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะแม้แต่ตัวจิตเองก็เกิดดับ ทางทวารทั้งหกจิตเดียวก็วิ่งไปดูจิตเดียวก็วิ่งไปฟังจิตเดียวก็วิ่งไปคิดแล้วก็มีสติรู้ทันตอนที่จิตวิ่งไปดูนั่นนะจิตไม่ตั้งมั่นแต่พอสติระลึกรู้ว่าจิตวิ่งไปดูจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอันตโนมัติเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วมันจะระลึกขึ้นได้ว่าเมื่อกี้จิตดูตอนนี้จิตตั้งมั่นมีคาว่าเมื่อกี้นะเกิดขึ้นการดูจิตกับดูกายไม่เหมือนกัน การดูกายนั้นลงปัจจุบันขณะเลยแต่การดูจิตเนี่ยเราจะรู้ทันจิตที่ดับไปสดสดร้อนๆ้อนเช่นจิตตะกี้ไปดูจิตตรงนี้ตอนนี้ไม่ได้วิ่งไปดูรูปข้างนอกหรอกจิตตอนนี้กลับมารู้ทันว่าจิตเมื่อกี้นี้วิ่งไปดูจิตตะกี้วิ่งไปฟังจิตตอนนี้รู้ว่าจิตดวงตะกี้นี้วิ่งไปฟังนี่มัจะรู้อย่างนี้จะเห็นว่าจิตนนนเวียนไปทางทวารทั้งหกนะเวียนไปทางตาหูจมูกลิ้นกาย ดิเรกเรียกรูปเสียงกลิ่นรสผดทธพานีว่าโคจระรูปเป็นที่โคจรไปของจิตจิตวิ่งไปดูรูปวิ่งไปทางตาวิ่งไปฟังเสียงนี่ก็วิ่งไปทางหูวิ่งไปดมกลิ่นนี่จิตก็วิ่งไปทางจมูกวิ่งไปรู้รสจิตก็วิ่งไปทางลิ้นวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายนี่จิตวิ่งซ่านไปในกายวิ่งไปคิดนึกทางใจนี่จิตวิ่งไปทางใจก็จะเห็นว่าจิตนั้นเกิดดับอยู่ทางตวานทั้ง6 จิตเองไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปกบเกิดแล้วก็ดับไปจิตดูเกิดแล้วก็ดับจิตฟังเกิดแล้วก็ดับจิตคิดเกิดแล้วก็ดับเป็นขณะขณะขณะไปยกตัวอย่างตอนนี้บางคนไม่เข้าใจลนะหลวงพ่อยกตัวอย่างให้ฟังในขณะที่ฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยบางทีก็มองหน้าหลวงพ่อบางทีก็ตั้งใจฟังฟังนิดๆหน่อยๆก็สลับไปคิด มองออกไหมว่าไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังไปคิดไปตรงที่จิตไปฟังหรือจิตไปคิดเนะี่ยเราสั่งไม่ได้ถ้าจิตใจที่เป็นธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดสลับกันตลอดเวลาสภาวะอย่างนี้เป็นมาตั้งแต่เกิดแต่ไม่เคยเห็นคนที่ไม่ได้ฝึกฝนปฏิบัติธรรมไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเลยว่าจิตของเรานี่เป็นของบังคับไม่ได้เรารู้สึกว่า เราบังคับตัวเองได้เราบังคับใจตัวเองได้ควบคุมตัวเองได้ทั้งๆที่ในความจริงบังคับไม่ได้เลยอย่างเราสั่งให้จิตมีความสุขก็ไม่ได้ห้ามจิตมีความทุกข์ก็ไม่ได้สั่งจิตให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้สั่งให้ดูอย่างเดียวไม่ให้คิดก็ไม่ได้สั่งให้ฟังอย่างเดียวไม่ให้คิดก็ไม่ได้นะทไม่ได้สักอย่างสั่งให้คิดอย่างเดียวไม่ให้ดูได้ไหมต้องหลับตาแล้วบอกว่าคิดอย่างเดียวไม่ให้ดู หลับตาแล้วเห็นอะไรบ้างเห็นแม้ดําๆมีแสงด้วยบางทีรู้สึกไหมอย่าเห็นอย่าเห็นอย่าเห็ น, หนไม่ได้มันมีตามันมีแสงสว่างมันมีรูปใช่ไหมมันจึงต้องเห็นงี้ยการเห็นนะเราก็สั่งไม่ได้เนี่ยเรามาเรียนรู้ความจริงนะฉันเห็นว่าไม่มีอะไรที่สั่งได้สักอย่างเดียวเลยนะในกายในใจเนี่ยนี่เรียกว่าการรู้ความจริงนะการทำํำวิปัสสนากรรมฐาน เห็นกายเห็นใจนะทุกสิ่งทุกอย่างนะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์แต่เราจะเห็นได้ถ้าใจเราตั้งมั่นเป็นคนดูนะเอาเดี๋ยวไปกินข้าวนะแล้วลองดูว่าเราจะทําได้จริงไหมตอนไปกินข้าวถ้ากิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้ทันถ้าความสุขความทุกข์เกิดขึ้นคอยรู้ทันใจเป็นแค่คนดูนะอ่านะเชิญ